ากาตั้งใจฟังธรรมเทศนาว่าใ น, นเจศเรืืองนี่สินคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนล้วนแล้วเป็นผู้มีนี่มีสินติดตัวอยู่ตลอดเวลานีสินเรืองต้นก็คือเป็นนีสินของบิดามารดา อะไรกันเลยเกิกล่าวนี่เป็นนีสินเบื้องต้นติดนี่เด ท, ทีแรกทีเดียวมิดามันดามีอุปการะคุณอย่างยิ่งจะไปไหนไปไหนก็เรียกว่าเป็นหนี่ของท่านทุกวิถีกล่าวจะเดินจะเหินจะนั่งจะนอนจะอยู่จะกินโดนแต่ เป็นนี่สิหนึ่งท่านทั้งนั้นเพราะอะไรเราเพอเนื้อตัวทั้งหมดอวัยวะทุกสิ้นส่วนตัวในแต่บแบงออกมาจากท่านจึงได้เชื่อว่าเป็นนี่สินึท่านตลอดเวลาตาหูจมูกริ้งกายอาว่ยวะทุกสิน้นทุกส่วน ถ้าหากไม่ได้ของท่านแล้วก็ไม่ทราบจะเ ป, ปล่ามาจากไหนจึงว่าเป็นหนี้อยู่ทุกขณะทุกเวลาดูใกล้แต่ว่ารดอาหารที่แล้วรับประทานอาเนจอร่อยของของท่านทางนั้นแหละอร่อยก็ดีเมื่อมีคนมีการกับของท่านทางนั้นะมันเสื่อมเสียคุณภาพ มันจึงไม่อร่อยท่าก็เหมือนกันได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็วลู้ว่าแต่ของอมายจากท่านหูเรียกฟังอเียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็รว้ว่าแต่ตัวงน้น แ, แต่เป็นหนีชิ้นเป็นหนีชิ้นของ ท, ท่านทั้งนั้น ส่วนใจเย็นที่เรามาคลองเงี้นน่ะมาคลองอนนั้นอยู่วายวะทั้งกวงมดลามาคลองอยู่นะ่ะเรียกมาคลองสมบัติของท่านทั้งนั้นจึงเป็นของควรลนะลึกคิดถึงอย่างยิ่งตอนนั้นมาหากเรา เติบโตใหญ่เป็นผู้เป็นคนมาคลอดมาได้ก็เติบโตมาโดยํำดับนั้นแก่กล้าสามารถที่จะประกอบอาชีพใดๆก็ร่วน้องท่านน่ะจนได้ดีๆจนมีันิอนอยูก่กินเลยนเป็นสศทษีมาเศรษฐีเป็นท้าวพยามาข้าษัตร์ เของท่านนั่นแหละเป็นทุนเราค่อยธนุธนอมำรุงขึ้นมาโดยลําดับแม้ที่สุดแต่การศึกษาเราเรียนธนุบำลุมาเจริญโดยลําดับนั้นกระทุนนองท่านทุนภายนอกอีกซ้ำทุนภายในก็ยังไม่ใช่ยังไม่ได้ยังทุนภายนอกอีกเงินทองเขาของสมบัติทั้งหลาย ที่ให้ช่วยเหลือตรงเสริมให้เราได้ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนมาเติบโตอย่างป่านี้เราประคองอยู่ได้ชีวิตเรามีอยู่มปีประคองชีวิตอยู่ได้ท่านตายไปแล้ว ยังเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้เพราะยืมเทันมาเรียกว่ายืมมาผู้ยืมก็ไม่ได้แกล้งยืมผู้ใช้ก็ไม่ได้แกล้งใช้แต่เป็นการยืมโดยอัตโนมัติ ใช่นีก็ไม่ได้ใช่หนีโดยอตัโยอตโนมัติท่นบอกว่าก็ขึ้นมานั่นเรียกว่าใช่หนี่เก่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าเรียกว่าใช้หนี่ใหม่ ลูกเต้าเติบโตขึ้นมาแล้วเรียกว่าเทอทดแทนบนคนของท่านเรียกว่าใช้นี่เก่าใช้กันอยู่อย่างนี้ตลอดพบตลอดชาติคนเราอย่างยากที่จะพ้นจากนี่จากสินไม่อ้นจากนี่จากสินเสียเมื่อใดแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมาพ้นนี่ผ่าน การที่จะพ้นจากเนยยาสีนใดมันยังอีกจะต้องพูดในฟังมันเปเรื่องหนึง่งมาบวชในพุทธศาสน า, า, นนานออก็เป็นหนี้ญาติโยมอีกเป็นแม่ขาแม่จีเป็นผ้าเป็นเนงก็ เ, เป็นหนี้ญาติโยอมอีกทุกชิ้นทุกส่วนที่เราเอามาใช้มาใา่ที่เรามาอยู่มากิน ที่เราพึ่งพาใส่ถ้าหาญาติโยมไม่อุปถามว่าทำในเลี้ยงดูก็อยู่ไม่ได้จะทําดีทำดีก็ทําไม่ได้การทําดีทําดีได้ชนิดได้ความไดอุปการะของญาติของโยมการอยู่การกินไม่ได้ทามาหาเลี้ยงชีพโดยการใด ยราสละให้ทั้งบุญนั้งทานมาเราได้บริโภค อ, อาศัยใชย้สอยพกะยังค่อยมีชีวิตยอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งไม่ตายนี่ก็เพราะเห็นญาติโยมบกกาละอาศัยบุกาละญาติโยมให้อาศัยใชย้สอย อาพรเครื่องนุ่งของห่มก็เช่นเดียวกันที่อยู่ที่นอนอาศัยเราอยู่เย็นเป็นสุขสบายมีกุฏิวิหารมีสราที่พักอาศัยด้วนแด็ของเขาทั้งนั้นเราไม่ควรที่จะประมาท ไม่ควรที่จะทำให้เลอะเทอะเลียวไหของเหล่านั้นเป็นของเขาเรามาใช้อาศาัยใช้ซอยถ้าไปทําให้เลอะเทอะเลยวไรอล น, นั้นเรียกว่าหมาดเป็นนี่เพิ่มเติมเขาอีกสรุปรวมจะควรมล้วว่าเคยเข้ามาเป็นนี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตาย ทำยังไงได้เขานี้ผู้ที่เป็นนิสินเหล่านี้จะพ้นจากนจากสินได้เรามาลึลกถึงนิสินประกาละหากเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะทดแทนนิสินของเขาหรือของท่านด้วยการทำตนให้ดี ไม่ได้ใช้ส่งคืนออกนีสินนันทส่งด้วยความดีอย่างบิดามันดาวางดีต่อบุตรทดาเราตั้งตนอยู่นในคุณงามความดีไม่พืชชั่วอยู่ในสุดจริต